Thank you. ตันนาตันนาวัดีน่อ แสจเด้งกรรมพันา เด็ดเข้ามาเนืองเนืองสาเด็ดทางบ้านเมืองได้โปรดมากันบารมีแห่งพระศรีอาริยเจ้าได้ฟังทรรม้งซัมมา เอาไวต้ตนเปลงวาจาเล่งว่าจาเสียรักษ า, าศาสนาไว้ปุ่นใหญที่เอานั้นได And. Yeah. เอามาเนืองเนืองสาเด็จพาบ้านเมืองได้โปรดนะคะาคานี่บารมีแห่งพระศรีอารยเจ้าได้ฟังธรรมกงซัมมาเอาไว้ตนเปล่งวาจาเปล่งวาจาเสียรักษส า, สา สองกอแก้วเทพนิมัดนดร์หลวงพอโตโคตมบดี